ข้อที่42แท้จริงบุคคลผู้มักพบคนผ่านทำตามคำของคนผ่านย่อมประสบทุกข์ส่วนบุคคลผู้มักพบบัณฑิตทำตามคำของบัณฑิตย่อมประสบสุขก็ในข้อนี้มีวิพันติกะภิกษุเป็นอุทาหรณ์เรื่องวิพันติกะภิกษุดังได้สดับมา ภิกษุนั้นเป็นสัตวิหาริกของพระมหากระสปฐถรักเป็นผู้ได้จตุทชาญเห็นรูปารมณ์อันเป็นข้าศึกในเรือนแห่งลุงของตนแล้วมีจิตผูกพันในรูปารมณ์อันเป็นข้าศึกนั้นศึกแล้วถูกนําออกจากเรือนเพราะเป็นคนเกียจคร้านเชื่อคําของพวกบาปมิตรเที่ยวเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยโจรกรรมวันหนึ่ง เขาถูกพวกราชบรุษจับได้มัดแขนไปล่หลังไว้มั่นแล้วจึงเอาหวายเชืยนคราวรสศีคราวรสศีนำไปสู่ตะแลงแกงทางประตูด้านทิศศิณแห่งกรุงราชฤษวันนั้นพระมหากัตริเข้าไปสู่พระนครเพื่อบินทบาทเห็นเขาแล้วขอให้พวกราชบรุษคลายเชือกมัดให้หย่อนแล้วกล่าวว่า เจ้าจงนึกถึงกรรมฐานที่เจ้าอบรมไว้ในการก่อนอีกเขารับคำพระเถระแล้วยังจะตรุษฌานให้บังเกิดอีกถูกราชบรุษเหล่านั้นนำไปสู่ตะแลงแกงแล้วให้นอนหงายบนหลาวก็ดีถูกคู่ด้วยอาวุธทั้งหลายก็ดีก็ไม่กลัวพวกราชบรุษเห็นเขาไม่กลัวจึงกราบทูลแด่พระเจ้าพิมพิสาร พระอาชารับสั่งว่าพวกท่านจงปล่อยมันไปแล้วเสด็จไปสู่พระเวรุวันกราบทูนแดดพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาประทับนั่งในเวรุวันทรงแผ่พระรัศมีไปแสดงธรรมแก่เขาเขาฟังเทศนาแล้วนั่งอยู่บนปลายเหล่านั่นแลพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เป็นโสดาบันไปสู่สำนัก พระบรมศาสดาทางเวหาบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์ในถ้ำกลางบริษัท์พร้อมทั้งพระราชานั่นเองดังนี้แลเรื่องวิพันติกะภิกษุในตันหาวัชแห่งพระธรรมบทจบ